หีเปาะแปะวิญญาณเฮียนหอพักรีโนเวทสัมผัสสยองเหตุการณ์นี้เพื่อเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2560นี่เองชื่อเรื่องอาจจะฟังดูตลก แต่ไอปอบแปะที่ผมว่านี้ก็คือถุงพลาสติกที่มีตุ่มลมหรือแ i r b u b บ l e หรือ b u บ b l e w r ร p สำหรับเอาไว้ห่อของกันรกระแทกนั่นแหละแต่ผมเรียกปาบแปะเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่ผมเรียนจบได้สองสาปีผมก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเช่าหอพักอยู่คนเดียวหอนี้ตั้งอยู่ในซอยแคบแค่และาคารหลังนี้กับหลังฝั่งตรงข้าม เป็นเจ้าของคนเดียวกันมีสภาพเดียวกันคือเก่ามากแล้วหอที่ผมพักอยู่รีโนเวทแล้วส่วนฝั่งตรงข้ามยังไม่รีโนเวทป้าคนดูแลบอกไว้ว่ามีแลนที่จะทำปีหน้าซึ่งหอแห่งนี้ผมเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่กี่เดือนผมเป็นคนชอบซื้อของออนไลน์เพราะสะดวกดีซื้อเยอะมากจนป้าคนดูแลหอบน ของที่ส่งมาก็จะมาทั้งรูปแบบซองแบบกล่องซึ่งแบบกล่องนี่แหละที่มักจะมีเจ้าเปาะแปะติดมาด้วยแล้ววันเกิดเรื่องก็มาถึงเย็นวันนั้นหลังเลิกงานผมก็ได้รับกล่องพัสดุจากการซื้อของออนไลน์ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีเจ้าเปาะแปะติดมาในกล่องด้วยปกติผมจะมีนิสัยคือชอบบีบเล่นจนหมดมันสนุกมากๆ แต่เย็นวันนั้นผมเพลียมากหลังจะเปิดกล่องเช็คสินค้าอาบน้ำแล้วก็นอนหลับไปตื่นมาอีกทีก็ไม่รู้ว่ากี่ทุ่มแล้วที่ตื่นเพราะเสียงอะไรรู้ไหมเสียงนั่นคือมันเป็นเสียงบีบเจ้าปอะแปะตอนแรกผมคิดว่าตัวเองนอนทับหรือเปล่าหรือหูแว่วไปเองแต่มันกลับไม่ใช่ ผมไม่ได้นอนทับแน่นอนถ้านอนทับเสียงมันจะไม่ดังกล้องทั่วห้องแบบนี้และผมไม่ได้โดนผีอําใดๆทั้งสิ้นในตอนนั้นสติยังดีอยู่แล้วเสียงบีบนั้นมันก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาอยู่ใกล้หูผมแล้วก็ดังถี่ขึ้นเหมือนคนกำลังช่วยกันบีบเล่นมันดังกระนำมาก ผมขนลุกไปทั้งตัวในห้องที่มืดสนิทนั้นมีผมอยู่คนเดียวแน่นอนเพราะแทบไม่มีเพื่อนคนไหนเคยมานอนห้องผมเลยจะมีก็แต่เพื่อนดีมาจากต่างจังหวัดเคยมานอนด้วยสองสามครั้งเท่านั้นและมันก็ไม่ใช่คืนนี้ด้วยตอนนั้นผมคิดว่ายังไงต้องมีคนบีบหรือทาอะไรสักอย่างกับเจ้าถุงปาะแปะแน่ ผมตัดสินใจร้องเสียงหลงและดังมาเฮ้ยเชื่ออะไรวะเหมือนอารมณ์โกรธที่รู้สึกว่าใครที่ไหนก็ไม่รู้มาทำอะไรแบบนี้ในห้องของผมต่อให้ตอนนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามผมโกรธและต้องการให้อะไรก็ไม่รู้ที่ว่าตกใจกลัวผมบ้างแต่ไม่เลยท่ามกลางความมืดมิดเสียงนั้นก็ยังกระหน่ำ ยังดังอยู่เหมือนเดิมจนผมหยิบมือถือมาส่องหาสวิตไปพอเปิดไฟเท่านั้นแหละเสียงนั้นก็หายเงียบไปจนหมดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมตัวสั่นไปทั้งตัวไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นีหรือคนหรืออะไรกันแน่พอเริ่มตั้งสติได้ก็ค้นหาที่มาของเสียงนั้นเชื่อไหมว่าถุงปอบแปะโดนบีบไปจนเกือบหมด ทั้งทั้งที่ตอนผมเข้านอนผมไม่ได้บีบเล่นเลยแม้แต่ตุ่มเดียวแล้วทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้คืนนั้นผมนอนไม่หลับพอดูนาฬิกาตอนนั้นก็เป็นเวลาตีสองเลยเปิดไฟสว่างไว้ทั้งคืนถ้าคืนนี้ดวงซวยไฟเกิดดับขึ้นมาผมคงจะต้องร้องไห้แน่ ผมอยู่อย่างนั้นจนเช้าก็ไปทำงานด้วยสภาพอดหลับอดนอนหลังจากคืนนั้นผ่านไปคืนต่อมาก็อาจจะมีระแวงอยู่บ้างแต่พอทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแน่นอนว่าผมเก็บเจ้าปลอกแปกไปทิ้งหมดตั้งแต่เช้าขอคืนนั้นแล้วไม่เอาแล้วแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้น ผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์หลังจากคืนที่มีเสียงปาบแปะนั้นผมก็เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดอีกคืนนั้นผมนอนหลับไปแล้วแต่ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเสียงหนึ่งที่ข้างหูอืมเป็นเสียงทุ้มๆของผู้ชายตะเบงอยู่ในลำคอเหมือนคนพูดไม่ได้แล้วพยายามตะเบงเสียงให้ดังที่สุด ดังยาวชั่วลมหายใจออกครั้งหนึ่งก็หยุดแล้วก็ดังอีกมผมนอนขดตัวพยายามตั้งสติว่าฝันหรือความจริงหรือหูแว่วไปเองแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่เรื่อยๆสั้นบางยาวบางดังบางแหวบ้างสลับกันไป ตัดที่พีกที่สุดก็คือเสียงนั้นมันดังข้างหูผมแถมยังมีลมเข้ามากระทบหูผมอีกมันเหมือนกับคนตะเบงเสียงกรอกหูผมจริงๆตอนนั้นผมขนลุกไปหมดทั่วทั้งตัวใจเต้นแรงเหมือนคนกำลังจะตายเกิดมาเพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้แล้วน้ำตา ก็ไม่รู้ไหลออกมาจากไหนผมพยายามภาวนาขอให้มันหยุดแต่มันก็ยังไม่หยุดผมเลยตะโกนแบบสุดชีวิตออกไปอะไรวะหวังจะให้มันตกใจบ้างแต่ปรากฏว่ามันยังครางต่อไปแต่เปลี่ยนเป็นครางสามครั้งติดกันอืมอื ม, อม พลังสุดท้ายมันลากยาวยานจนผมขนลุกแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปผมรีบวิ่งไปเปิดไฟห้องติกของกระเจิงพอมองไม่เห็นแล้วผมก็ร้องไห้ออกมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนผมกลัวมากผมคิดว่าจะเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนอีกเช่นเคยแต่แค่ไม่ถึงห้านาทีต่อจากนั้นเสียงหัวเราะ หลุดปลอดออกมาจากห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้วตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่าเส้นผมบนหัวมันตั้งไปหมดแล้วและผมก็ไม่ไหวแล้วแต่จะให้ไปไหนละ่ะเพราะหอที่ผมอยู่เป็นแค่อาคารพาณิชย์เก่าๆที่ถูกรีโนเวทใหม่ที่กลายเป็นหอพักเพราะฉะนั้นถึงจะออกจากห้องไปก็ไม่มีที่ไป ผมกัดฟันสู้ด้วยความกลัวเปิดไฟสว่างอยู่ในห้องระเบียงผมก็ไม่กล้าเปิดเพราะตรงข้ามเป็นอาคารพาณิชย์เก่าๆที่ไม่มีคนอยู่หอที่ยังไม่ได้รีโนเวตนั่นแหละผมทำใจสะพักกว่าอะไรๆจะดีขึ้นหายใจได้สะดวกขึ้นแต่ตัวก็ยังคงสั่นอยู่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ไปถามตัวเองไปตลอดว่าอะไรวะ อะไรวะเกิดอะไรขึ้นถามซ้ำๆย้ำๆอยู่แบบนั้นแล้วความสยองก็มาเยือนแบบพีกมากอยู่ดีๆไฟก็ดับไฟดับไปเฉยๆแต่ไฟจากคอมก็ยังสว่างอยู่ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะเหตุการณ์หลังจากนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ผมต้องจดจำไปตลอดชีวิตอยู่ดีๆก็เหมือนมีอะไรไม่รู้วิ่งผ่านปลายเตียงผมไปแล้วชนของลมชนขวดน้ำชนโต้ปุ่นลมเสียงตึงตังจะว่าหนูก็ไม่น่าทำให้ของล้มได้ขนาดนั้นและที่ไม่ใช่หนูแน่นอนก็เพราะว่าถึงไฟในคอมจะแยงตา แต่หางตาผมข้างซ้ายก็เห็นอะไรแบบวิ่งผ่านไปสิ่งที่ผมเห็นมันมาจากหางตาเป็นผู้ชายตัวสูงตัวยาวหอมย่อตัวย่องไปแต่การย่องของมันเร็วเหมือนวิ่งยังไม่หมดแค่นี้มันยังพูดกับผมได้ว่ากู เสียงพูดนี้มันดังมากมันเป็นเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินมนุษย์คนไหนพูดเป็นเสียงที่น่ากลัวจนผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นเสียงเหมือนคนพยายามจะพูดแต่พูดไม่ได้เสียงมันแห้งๆเหมือนคนแค้นเสียงออกมาจะกลํมคอเหมือนโจรในละครที่ไม่ได้กินน้ำและคอแหง้งพยายามตะเบงคารามให้คนหวาดกลัวมันเป็นเสียงแบบนั้นเลย ผมได้ยินชัดแค่คำหน้ากับคำหลังมันพูดแบบนั้นแน่นอนแล้วมันก็วิ่งไปดังขวาผมที่เป็นระเบียงแล้วมีเสียงเคาะกระจกระเบียงเหมือนใช้ของแข็งเคาะมันน่ากลัวเจอแบบนั้นผมก็ไม่อยู่ลาววิ่งออกนอกห้องไปเลยวิ่งลงบันไดแบบไม่คิดชีวิต เข้าผมกระแทกราวบันไดจนมันเขียวชำ้ำแต่ผมในตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บเลยผมวิ่งไปเซเว่นหน้าปากซอยทั้งที่ไม่มีเงินสักบาทวิ่งไปนั่งร้องไห้ยอยู่หน้าเซเว่นแล้วเจอลุงคนขับแท็กซี่ที่จอดซื้อของเขาออบาเจอผมพอดีแกก็ถามว่าเป็นอะไรไอ้หนุม่มผมบอกแกไปเลยว่า ผีหลอกผมก็พี่ผมโดนผีหลอกที่หอผมอยู่ไม่ได้ผมวิ่งออกมาไม่ได้หยิบอะไรมาเลยผมพูดไป ท, ทั้งทั้งที่เสียงสัน่นลงแท็กซี่ก็ถามเล่นยาหรือเปล่าไอ้หนุ่มพักอยู่หอไหนอ่ะเปล่าพี่ผมโดนผีหลอกจริงๆแล้วก็ชี้ไปในซอยบอกชื่อหอกับลุงอ๋อหอนี่ เล่าลุงก็เล่าให้ผมฟังว่าบีที่แล้วก็มีผู้หญิงวิ่งกรีดร้องตั้งแต่ตรงหอนั่นแหละมาจนถึงเซเว่นนี่เลยบอกว่าโดนผีหลอกคนก็ตื่นกันทั้งซอยมันมีอะไรเหรอพี่จริงๆผมก็ไม่รู้นะได้ยินเขาเล่ามาอีกทีเพราะผมอยู่ซอยโนนเล่าลุงก็ชี้ไปที่ซอยบ้านตัวเองเขาเล่าว่างไงพี่เขาว่า ก่อนจะสร้างเป็นหอพักเนี่ยเมื่อก่อนหลายปีมาแล้วตรงนี้เป็นตึกร้างมีพวกขี้ยามาฆ่ากันตายที่นั่นหลายคนก็เล่าต่อๆกันว่ามีคนตายตรงนั้นเยอะเหมือนกันผมก็จํารายละเอียดอะไรไม่ได้นักหรอกเพราะมันนานแล้วแต่ล่าสุดก็ขี้ยาฆ่ากันตายนั่นแหละอันนี้พอจะจาได้แม่นผมก็ยังขนลุกอยู่ตลอดยิ่งฟังยิ่งขนลุก ก่อนลุงจะไปลุงแกก็ให้ผมยืมเงินหนึ่งรเอาไว้ซื้อของในเซเว่นประทังชีวิตผมขอเบอร์แกไว้ด้วยตอนเช้าจะโทรไปคืนแล้วผมก็ซื้อเอ็มร้อยมาดื่มเพื่อเอาชีวิตรอดจะได้มีพลังเอ็มพลังใจเกินร้อยรอจนเชา้าผมจึงตัดสินใจเดินกลับหอและตัดสินใจว่า จะย้ายออกทันทีหลังเลิกงานวันนั้นผมเอาไปแตกกระเป๋าเสื้อผ้ากับของใช้จำเป็นกะว่าเสาร์อาทิตย์ค่อยมาขนของที่เหลือเพราะวันเสาร์ก่อนผมจะขนของออกหมดผมก็ได้บอกเหตุผลกับป้าดูแลหอว่าผมเจอผีนะป้าตามสูตรผีหอพักนั่นแหละไหนไหนก็จะออกแล้วผมจึงถามป้าไปว่า ป้าเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอะว่ามันยังไงกันแน่ผมได้ยินมาว่ามีคนฆ่ากันตายที่นี่ป้าเลยเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนที่นี่ยังคงเป็นตึกร้างที่ยาจะชอบแอบมาเสพมานอนกันในนี้แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งพวกนั้นก็ไม่มาอีกเลยหายไปหลายเดือนมากจนวันหนึ่งก็มีคนไปเจอศพผู้ชายที่ตายมานานแล้ว สภาพศพแห้งหอมจนหนังติดกระดูผมก็นึกขึ้นได้หอมแห้งหนังติดกระดูใช่แล้วไอ้ตัวยาวๆผอมๆวิ่งย่องชนของผมคืนนั้นนั่นแหละแล้วผมก็ถามต่อว่าตายที่ชั้นไหนป้าป้าจึงบอกว่าชั้นสามฝั่งด้านหน้าตรงห้องผมพอดีแล้วป้าก็ยิ้มแย่ โผป้าจะยิ้มใส่กูทำไมยเยอะเย้ยหรืออะไรเนี่ยพอได้ยินดังนั้นผมก็ใจสั่นแล้วร้องไห้อีกรอบจากนั้นผมก็ย้ายของออกไปโดยไม่เหลียวหลังกลับมาอีกเลย สมภัทสยง